เรือนพอรท่านผู้ฟังทุกๆท่านบัดนี้ถึงเวลาของการฟังธรรมก็ให้ตั้งอกตั้งใจฟังเหมือนเดิมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่หกเองเราใช้เวลาเก้ากอในการปฏิบัติสามคืนสามวัน เรื่องต่างๆที่พูดมาก็คือเรื่องของความยินดีในธรรมเมื่อเราฟังธรรมก็ฟังธรรมด้วยความยินดีเมื่อเราภาวนาก็ภาวนาด้วยความยินดี เราต้องการที่จะละกิเลสตัณหาก็มีความยินดีในการละเพราะการละกิเลสตัณหาเหมือนกับการเฉือนเนื้อเฉือนเลือดออกจากร่างกายมันทำได้ยากแต่ถึงยังไงเราก็จะต้องทำ ทีนีข้อที่เน่งว่าธรรมาราโมยินดีในธรรมภาวนาราโมยินดีในการภาวนาไม่ขาดตอนทำไม่ขาดตอนไม่ให้ตกควากหรือเรียกว่าไม่ให้มันหยุดนิ่ง ทำไปเรื่อยๆตามธรรมชาติในชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยททำโดยไม่หวังอย่าไปหวังหวังไม่ได้หวังแล้วมันก็มีความทุกข์อย่าหวังภาวนาไปเมื่อร่างกายมันเคลื่อนไหวในทิศทางหน่อย จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเ ป, นนจนปเป็นการหายใจก็ภาวนาไปเป็นการภาวนาอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาราโมยินดีในการภาวนาทีนี้ปหาน า, ามนูนี่เป็นการเฉือนเนื้อออกจากร่างกายาเราจะต้องละละ ละกิเลสตัณหาละความยินดีละความยินร้ายและมันหมดไม่เอาอะไรหรือไม่เออะไรภาวนาว่าไม่ใจกูนี่เป็นการเฉือนเนื้อออกมาเป็นชิ้นๆนี่เหมือนกับว่าเลือดมันไหลออกมาแล้วก็มองดูอยู่ไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกู งันก็ว่าหมอเขาเอาเข็มฉีดยามาแทงแล้วก็ดูดเลือดออกพอดูดเลือดออกให้ข้าอยู่ในเข็มฉีดยาเพื่อจะเอาเลือดนี้ไปตรวจแล้วเราไม่ต้องกังวลใจดูมันเลยดูมันเลยว่าเลือดนี้มันคืออะไร มันมันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูดูมันเลยเดี๋ยวว่าเกิดอุบิเหขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเลือดมันไหลออกจากร่างกายก็ดูมันเลยแล้วก็ภาวนาแข่งกันเลยไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาให้กูไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือการ ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูกทีนี้ดูที่ตรงไหนตาก็ดูที่เลือดกําลังออกแล้วก็จิตก็ดูที่จิตดูที่ความรู้สึกความรู้สึกที่มันไม่ใช่กูกายก็ไม่ใช่กูเวทนาไม่ใช่กูจิตเองที่มันโง่ก็ไม่ใช่กู กิจฉาดก็ไม่ใช่กูไม่เอาทางนั้นทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ใช่กูมันว่างจากตัวตนเห็นไหมมันว่างจากตัวตนท้งนั้นนี่เดี๋ยวว่าละพยายามที่จะละละละละละละมาทีนี้พอมาข้อต่อไปว่าวิเวการโมยินดีในสถานที่ เรายินดีในความวิเวกวิเวกวิเวกคือความสงบให้เราก็าจะวิเวกคือความสงบในความเงียบในความเงียบมันมีความสงบมีความสงบอยู่ทีนี้ในจิตที่มันเงียบที่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็สงบวิเวกเนี่ยมันมีสามอย่างกายวิเวก เราเกิดความวุ่นวายขึ้นมาที่บ้านหรือว่าที่สำนักงานอะไรต่างๆของเรานี่มันวุ่นวายและสิ่งที่จิตต้องการในเวลานั้นคือความวิเว้ความสงบความสงบหนึ่งกายวีเว้หาได้ไม่ยากกายวีเว้ในหาที่สงบสงบสง บ, สงบในธรรมในเขาในผาในดง ในป่าชา้าในวัดที่เขาทำเป็นวิปัสนาที่ไม่มีคนมากเราก็เข้าไปในที่สถานที่ที่วิเวกแต่ ก, ก็ระวังอย่าให้เกิดความกลัวขึ้นมาถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็ไม่วิเวก กลัวนั้น ก, ว ก, วกัวมิกัวผีกัวสสงกัวหมูกกัวเงียวกัวอะไรต่างๆความวิเว้หายหมดกายวิเว้ก็ไม่เกิดกายวิเวก็ไม่เกิดกายวิเว้ก็คือความสงบด้วยความสงดทางกายจิตวิเว้ให้จิตมันนิ่ง อย่าปรุงแต่งเราต้องการความวิเวกความจริงเราต้องการความวิเวกพอไปนอนอยู่คนเดียวกลัวแล้วเกิดกลัวขึ้นมาแล้วจิตมันไม่วิเวกแล้วไม่วิเวกแล้วมันปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องมันมากมายกายกองที่มันจะเข้ามาดันั้นเราจะต้องระวังจิตระวังจิต เนี on that, to to ่แล no ้วเราก็จะภาวนาอะไรแต่อย่างนี้ก็ติดหมัดขึ้นมาทันทีเลยเหมือนนักมวยนะบอกว่าไม่เอาอะไรอะไรมันจะมาก็ไม่เอาทางนั้นไม่เอาทางนั้นไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรบอกว่าไม่เอาอะไรบอกยิ้มแตว่าไม่เอาอะไรอะไรมันมากุกกุกจิกจิกอะไรมันจะมามีเสียงดังมา เป็นรูปเป็นร่างมาไม่เอาทางนั้นไม่เอาทางนั้นไม่ออ่อรนี่เดียวจิตวิเวจิตวิเวจิตได้รับความสงบกายวิเวจิตวิเวจิตวิเวแล้วเราก็จะได้สมาธิสมาธิก็จะมา <it> เราเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วปัญญาก็จะเกิดทีนี้เกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมา เพื่อที่จะประหารกิเลสกิเลสตัวไหนที่เราหมายมั่นปั้นมือที่จะประหารมันก็ดูมันจ้องดูจ้องดูจ้องดูมันกิเลสทั้งหมดเรียก ว, ว่าอุปาธิจํำมาไว้ตัวนี้อุปาธิมันเกิดอุปาธิอะไรขึ้นมาเกิดอุปาธิคือเกิดกิเลสตัวไหนขึ้นมาไล่ออกไปเลย ไล่มันออกไปไล่ไล่มันออกไปเราก็ภาวนาภาวนากไปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปให้มันออกไปให้หมดให้มันออกไปให้หมดเราภาวนาว่าออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปภาวนาอยู่อย่างนั้นทางจิตทางเดียวตอนนี้ตาเราก็หลับสนิทหูก็ไม่สนใจจมูกก็ไม่ได้ทางาน ลิ้นก็อยู่เฉยๆกายก็นั่งนิ่งๆโดยที่จิตอย่างเดียวจิตใจก็ไม่คิดอะไรไม่ให้คิดอะไรแล้ก็จิตอย่างเดียวจิตเราป้องกันในถ้าเราไปนั่งที่ป่าชา้าหรือว่าไปนั่งที่เงียบๆความกลัวมันจะเข้ามาครอบงำเราเพราะความกลัวมาครอบครอบงำเรา เราก็บอกว่าไม่เอาอะไรกลัวก็ไม่เอาตายก็ช่งอวมันตายก็มันตายไป ไ, ไหนไเราก็จะตายแล้วเราต้องชนะความตายให้ได้ไม่ไดเรากลัวตายเราก็ถามว่าความตายนี่มันคืออะไรถามตัวเองนั่นแหละจิตนั่นแหละถามจิบความตายมันคืออะไรไอ้ความตายมันคือความโง่ตามที่จริงมันไม่มีคนตาย มันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธาตุาสี่ต่างหากที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของขั น, เ, ขนเป็นเรื่องของอายตนะทีนี้เราก็ดูดิท้งหมดมเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหมือนที่พูดเหมือนตอนปากคํามปฏิจจสมุปรรมบาทอะไรนะเรื่องของ อวิจาสังขานวิญญาณนามรูปนามรูปนามานามรูปหรือว่ารูปรูปคือร่างกายนี่ไม่เห็นว่ามันมีอะไรไม่ต้องไปเป็นห่วงมันอะไรมันทีนี้ไอเวทนาน่ยมันคืออะไรสัญญามันคืออะไรสังขารมันคืออะไรมันคิดปรุงแต่งวุ่นไปหมดวุ่นไปหมดคิดปรุงแต่งวุ่นไปหมดเลย นั่นคือสังขารเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทันทีเลยวิญญาณตัวความรู้สึกตัวนั้นก็เก่าไปยึดมันถือมั่นหมดเก่าไปยึดมันทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณนั่งไม่ติดวิญญาณตัวนั้นเก่าไปปรุงในรูปเก่าไปปรุงในเวทนาในเวในสัญญาในสังขารความรู้สึกในตัวมันเอง มันวุ่นวายหมดต้องปล่อยที่นม่ปล่อยนี่เดียววนละอย่างนี้เดียววนละปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็อยู่กับไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรอย่างเดียวไม่เอาอะไรทีนี้พ่อบอกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้ไม่ใช่กูเน่คือมันว่างจากกูว่างจากกูว่างจากกูว่างจากัวกู ทีนี้แปลว่ารูปมาเป็นตัวก okay, no? เูเห qu ็นไหมแปลเวทนามาเป็นตัวกูเปลสัญญาความจำความมั่นหมายมาเป็นตัวกูเปลความคิดแปลการปรุงแต่งมาเป็นตัวกูเปลความรู้สึกนั่นมาเป็นตัวกูเขบอกว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรนี่คือละไม่เอาอะไรนั่นแหละคือละละละละทั้งตัวกูละทั้งของกู พราะว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรพอไม่เอาอะไรมันข no no ้าวที่นั่นจิตมันก็สงบดิมันก็จะสงบเพราะว่ามันปราศจากอุปาทานหรือว่าอุปธิปราศจากอุปธิเพออุปาธิมันเกิดคือกิเลสมันเกิดพอกิเลสมันเกิดก็ไล่มันออกไปไล่มันออกไปไล่มันออกไปเหมือนกับว่าเรากวาดขยะอย่างเนี้ย เรากวาดก็ยาเรากวาดก็อยาทางเดินนี่เราก็มีไม้กวาดกวาดออกไปออกไปออกไปออกไปเรากวาดเร็วออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปเนี่ยว่าอยู่อย่างเนี้ออกไปออกไปออกไปออกไปกวาดมันให้มันด่วนๆเพรว่าออกไปออกไปออกไปออกไปออกไป นี้มีพระเศนรูปหนึ่งเอากวาดกระยาบพรกวาดกระยากก็ภาวนาว่าอะไรก็ภาวนาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ ที่นี้ก็ภาวนาแม้แต่เรากา็เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จริงเกิดขึ้นเมื่อจิตมีอวิชฌามีเมื่ออวิชฌามีสังขารมีเมื่อสังขารมีวิญญาณมีเมื่อวิญญาณมีนามรูปมีกวาดขยะไปกวาดขยะไปคือวิธีปฏิบัติมันมีมากมายทีนี้เป็นยังไงเขาก็กวาดไป ภาวนาป่อยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จริงเกิดขึ้นใกล้ๆทางที่เขกวาดมันมีกอไม้ไผ่อยู่อันนี้กวาดไปกวาดมาน่ยไม่กวาดไปโดนเอาก้อนหินเล็กๆก้อนกรวดอาจจะโตห น, น่อยแล้วพอกวาดก้อนกรวดนั่นออกไปก้อนกรวดนั่นก็ไปกระทบกับลำไม้ไผ่ มันมีกอไม้ไผ่นั่นก็มีเสียงดังโอ๊คเสียงดังโอ๊คพราเสียงดังโอ๊คเป็นยังไงตาแจ้งขึ้นมาเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีไม้กวาดเพราะมันมีลูกหินเพราะมันมีไม้ไผ่มันมีกอไม้ไผ่แล้วก็ลูกหินมันก็ไปโดนลำไม้ไผ่เมื่อโดนลำไม้ไผ่ก็ทําให้มีเสียง แต่ทั้งหมดเกิดดับทั้งนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือสายเกิดอย่างนี้อ๋อเพราะมันมีดิมันจึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะถ้ามันไม่มีไอ้คนกวาดมันก็ไม่มีไม้กวาดมันก็ไม่มีไอ้ลูกหินมันก็ไม่มีไอ้ลําไม้ฝอยมันก็ไม่มี เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันดับว่าไม่มีคนไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันดับไม่มีคนไม้กวาดไม้กวาดก็เป็นสิ่งสมมติเอากานมาพร้ามาออะไรมามาทําเป็นไม้กวาดสําหรับที่จะกวาดขยะใบไม้แก่นั้นเอง ไอ้ลูกหินก็เป็นแรทาตอันิดหนึ่งไอ้ลำไม้ไผ่มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งทีนี้เรไปโดนข้ามันก็ทําให้เกิดเสียงขึ้นมามันก็เป็นเรียกว่าเป็นเสียงอย่างหนึง่งมันดังโป๊กขึ้นมานี่มันเลยไปจุดประกายเลยไปจุดประกายวาบขึ้นมาเลยพอวาบขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็ทํ า, าให้เกิดจิตมันเห็นธรรมขึ้นมา กิเลนทำกันเอามันไม่มีอะไรตามที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันว่างทังนั้นเลยมันมีแต่ว่างทั้งนั้นนี่เดี๋ยก ว, ว่าไอ้การกวาดขยะก็เป็นการละละกิเลสละตัณหาละอุปาทานนี่เป็นการละเป็นการละก็ชื่อว่าปะหานารามูยินดีในการละกิเลตัณหา ดังนั้นเราจะต้องพลิกแปลงได้พลิกแปลงได้ทุกอย่างพลิกแปลงได้โดยการปฏิบัติแต่ก็อยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละในเครือเดียวกันหมดนี่เรียวกว่าักการรักปหานารามูยินดีในการรักอะไรก้าวตาทางก็จักแตว่าธาตุว่าง ร, รูปที่เห็นก็จักแ่ว่าธาตุว่างในตาเองก็จักแต่ว่าธาตุว่างผู้ได้ยิน ผู้ก็ไม่ใจกูเป็นธาตุว่างเสียงที่เข้ามาก็เป็นธาตุว่างจะมูกได้กลิ่นลิ้นคิ้มลดกายสัมผัสจรูธ้ธรรมารงจ้องดูว่างทางนั้นนะไม่มีอะไรทีรนี้ดูอันดับที่สองมันเกิดดับเกิดดับตาเกิดดับรูปเกิดดับจากกูวิญญาณเกิดดับปัจเกิดดับเวทนาเกิดดับ โดยเป็นกระบวนการผู้เกิดดับเสียงเกิดดับทุดแตะวิญญาณเกิดดับพัจจาเกิดดับเวทนาเกิดดับจมูกเกิดดับกลิ่นเกิดดับความรู้สึกการณ์วิญญาณเกิดดับปัจาการกระทบเกิดดับเวทนาความพอใจไม่พอใจเกิดดับกายเกิดดับสิ่งที่มากระทบกายเกิดดับ กายวิญญาณเกิดดับจาเกิดดับเวทนาเกิดดับทีนี่ดิ่งคัญใจใจใจเกิดดับธรรมารมเกิดดับสิ่งที่มากระทบใจก็คือเรื่องต่างตางที่เราก็าไปบูมแต่งั้งอดีตก็ดีต่ปัจจุบันก็ดียังไม่ถึงก็ดี ว่าธรรมารมธรรมารมที่มันคิดไปใจเกิดดับธรรมารมเกิดดับมโนวิญญาณเกิดดับมโนก็คือใจนะมโนวิญญาณเกิดดับการกระทบทางใจเกิดดับเรียกว่าปัจจาเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนทธรรมะว่างจากตัวตนทธนั้นทีนี้เราก็ภาวนาดับหน้าโอ่า ดักหน้าไว้ว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรทั้งไม่เอาอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรแล้วมันอะไรมันว่างทุกอย่างมันว่างจากตัวตนรูปก็ว่างจากตัวตนเสียงกลิ่นรสโปฏตักพะธรรมารมว่างจากตัวตนทั้งนั้นว่างจากตัวตนนี่ก็คือไม่ใจกู มันแปลงมาจากคําว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูว่าไม่ใช่กูมันก็ว่างว่างจากอะไรก็ว่างจากกูไม้ว่างจากกูก่ออะไรอารมณ์น่ยมันว่างจากกูไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์ไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์เหล่านั้นนี่คือเราดูที่จิตดูที่จิตอย่าให้จิตกับอารมณ์มันครุกคร้าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จิตก็คือจิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่มันไม่มีตัวตนที่มันว่างจากตัวตนเพราะไม่มีอารมณ์เข้าไปกลุกคล้าวอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์อิจฉาอารมณ์ริษยาอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ต่างๆมากมายกายโกจิต ไม่มีอารมณ์วันหนึ่งหลวงพ่อเกิดความสงสัยขึ้นมาไปชวนโม่ไปเยี่ยมพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธตาทีานี้ตอนนั้นก็ไม่มีใครก็เลยถามทานว่าท่านอาจารย์ครับแล้วพระอรหรันต์ท่านมีจิตใจเป็นยังไงท่านตอบคำเดียว อารหันไม่มีอารมณ์นี่แหละให้เราก้าวใจออกว่าไม่มีอารมณ์อารมณ์อดีตก็ไม่เอาอารมณ์ในปัจจุบันก็ไม่เอาอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ไม่เอาไม่มีอารมณ์อะไรอีกก็ไม่มีอารมณ์แปไกันอีกไม่มีอารมณ์ก็คือว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์นั่นก็คือไม่ยึดมั่นหรือมั่นอารมณ์ อารมณ์อะไรเข้ามาละหมดละหมดไม่เอาทางนั้นะอะไรก็ไม่เอาทางนั้นนี่คือไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นทีนี้เราอยากจะเป็นอยู่อย่างพระอรหันต์บ้างเราไม่เป็นพระอรหันต์เราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราอยากจะ ทำใจให้เหมือนกับพระอรหันต์เราก็ทําข้อที่ว่าวิเวการามูยินดีในสถานที่อันสงบแล้วยินดีในจิตที่สงบเราก็ภาวนาว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรก็คืออยู่ห่างว่างมันก็คืออยู่ว่างว่างว่างว่างจากอะไรเพราะว่างจากอารมณ์อะไร จิตว่างว่างจากอารมณ์จิตนอกจากก็ว่างจากจิตแล้วก็จิตนั้นก็ว่างจากอารมณ์อีกว่างจากอารมณ์มันก็สงบเย็นอยู่กับความสงบทีนี้อยู่กับจิตที่สงบกับจิตที่สงบอย่างนั้นทีนี้กายก็สงบวาจาก็สงบจิตก็สงบแต่ว่าอยู่กับจิตที่สงบมันลดเลี้ยวเกี่ยวคดมาไอ้พวกกิเลสตนะ นั่นเนี่ยนั่นน่ยคือตัวอารมณ์ตัวอารมณ์ที่มันมาก็ไม่เอามันไม่ออกโือจะมันเป็นกิเลสทั้งนั้นดีก็เป็นกิเลสชั่วกว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสทั้งนั้น Ice <c tricked mad seaweed> อะไรที Man ่เรากล่าไปยึดมั่นถือมั่นมแม้แต่บุญนี่บุญบุญที่เรายกย่องนักหนานี่พระเดียจาก้าท่านไม่เอาบุญบุญแปลว่าอะไรบุญแปลว่านักแปลว่าหนัก หนักเพราะอะไรหนักเพราะว่าพอเราทําบุญแล้วเราก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นหนักที่ตรงหน่อยก็หนักที่จิตหนักที่จิตแม้แต่บุญก็หนักฉะนั้นบาปเราไม่เอาอยู่แล้วชั่วเราไม่เอาอยู่แล้วเราไม่เอาอยู่แล้วทีนี้เราบุญคนที่เข้าวัดแต่ก็ทําบุญเข้าวัดทําบุญไมีได้ทำบุญทําบุญทําบุญทําบุญ หลงบุญทีนี้ก็หลงบุญหลงบุญก็คือหนักหนักทีนี้พอทําไปก็ทําไปแล้วสบายใจก็สบายใจก็มันค่อยๆคลายคลายคลายคลายคลายเอบุญหมดอีกแล้วบุญหมดอีกแล้วก็ทำใหม่อีกทำใหม่อีกอก็หนักขึ้นมาอีกหนักขึ้นมาอีกก็ทําอีกอยู่อย่างนี้เวียนไปวนมาวนมาเ ว, วียนไปเหยือ น, นบุญปแปล ว, ว่าหนักเพราะฉะนั้น บุญก็ไม่เอาแต่ไม่ใช่ไม่ทำบุญก็ทำบาปไม่ทำบุญทำความดีทำทำแล้วไม่ยึดมั่นถือมัน่นบุญนั้นมันจึงไม่หนักไม่เป็นของหนักไม่อย่างนั้นมันก็เป็นของหนักอีกบุญก็ต้องละเห็น ไ, ไหมทุกอย่างมันต้องละทั้งนั้นนี่ชือว่าปหานารามูละต้องละพอละแล้วทำให้จิตสงบ อยู่กับจิตที่สงบปวิเวการาโมยินดีในจิตที่สงบยินดีกับความว่างว่างว่างมันจึงจะสงบว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงซึ่งทั้งปวงก็คือทั้งหมดนั่นแหละทุกอย่างไม่เว้นอะไรทุกอย่างเว้นจากความยึดมั่นถือมัน่น รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไม่รู้ไม่ใจรู้แล้วก็ยึดว่างนี่ไม่รู้อะไรว่างมันมีสติปัญญาในความว่างนั่แหละมีสติปัญญาที่เต็มในความมีนี่แหละมันมีความว่างในความมีนี่แหละมันมีความว่างในความว่างนั่นแหละเมื่อว่างแล้วไม่มันก็สงบว่างแล้วมันจึงจะสงบ ถ้าไม่ว่างมันก็ไม่สงบทีนนี้เมื่อเราอยู่กับความว่างอยู่กับจิตว่างจนชินจนชินจิตและจิตนั้นก็เลยสงบสงบจากอะไรสงบจากอุปาธิเาะกิเลสทั้งหมดอะไรต่างๆเป็นอุปาธิขัดขวางมาขัดขวางทาให้จิตไม่สงบเราก็อยู่กับความสงบ ยินดีในความสงบยินดีในการทำกายให้สงบยินดีในการทำจิตให้สงบยินดีในการที่สลัดกิเลสออกไปเป็นสิ่งสุขปรกแล้เราก็อยู่กับจิตที่สงบเย็นสงบเย็นจิตที่สงบเย็นนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ไวประทับนั่งใต้ต้นโพและพระองค์ก็มีจิตที่สงบเย็นขึ้นสงบเย็นขึ้นสงบเย็นขึ้น จนสงบเย็นถึงที่สุดจิตที่สงบเย็นถึงที่สุดพอถึงที่สุดกิเลสต่างๆแม็สักนิดเดียวเข้ามาเห็นทันทีเลย น, นี่พระองค์ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพุทธโธขึ้นมาคือจิตที่สงบเย็นนี่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือความสงบเย็นที่เป็นธรรมชาติ ที่มันมีอยู่แล้วอยู่ในทุกทิศทุกทางทุกถิ่นทุกสถานความสงบเย็นความสงบเย็นที่มันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องสร้างเราไม่ต้องอะไรมันแต่เดี๋ยวเพียงแต่ว่าเราทำจิตอย่าให้เข้าไปยึดมั่นถือมันในเรียกว่าอุปาทานอยากเข้าไปยึดมั่นถือมันอะไรทั้งนั้นอยากเข้าไปยึดมั่นถือมันสิ่งทั้งปวง สเปทธรรมมานแปลว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยอยู่คนละเรื่องกันอยู่คนละโลกกันอยู่คนละโลกกันเหมือนเราขึ้นมาบนสำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพตแห่งนี้อยู่ข้างล่างรถวิ่งไปวิ่งมามีคนจอแจเราขึ้นมาข้างบนนี้สงบนี่เรียกว่าเรียกว่าสถานที่สงบ พอสงบแนละ้วเรามองไปข้างหลังว่าเราอยู่สูงพอมองไปข้างหลังมองไปข้างล่างมองกันหรือมันช่างอยู่คนละโลกกันจริงๆเลยโลกข้างล่างโลกที่วุ่นวายเราขึ้นมาข้างบนสงบคนโลกกั น, เ ห, นเห็นไหมนี่เรียกว่าเพียงสงบทางกายแล้วก็ความมีสงบทางจิตนิดหน่อย นิดหน่อยที่เราได้สัมผัสนี่ถ้าเราอยู่กับความสงบอย่างนี้ถ้ามันไม่สงบถึงเราจะนั่งอยู่ในกรดเราจะนั่งอยู่ในถ้ำไป้ับสมบัติมันก็ตามมาลูกเมียก็ตามมาเรื่องราวต่างๆก็ตามมาเราไม่เอาไม่เอาทางนั้นเราอยู่กับความสงบ ความสงบที่ไม่มีตัวกูไม่มีจิตกูไม่มีตัวกูแล้๋ยวก็ยังไม่พอจิตนี้ก็ไม่ใช่กูด้วยไม่เอามันไม่ปรุงแต่งไม่อะไรไม่เอาอะไรมาเป็นตัวกูไม่เอาอะไรมาเป็นของกูที่บอกแล้วๆลาวๆนั้นว่าทรัพยเพทธรรมมาคือสิ่งทั้งปวงทรัพเพธรรมมานาลังอภินิเวศายะสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน ว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ของกูร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของกูจิตนี้ก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูจะไปเอาอะไรทีนี้ <c oughs> ก็เลยสงบมันก็สงบทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สงบโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดเห็นตามความเป็นจริง เราเห็นตามความเป็นจริงก็สงบเด็ดขาดกิเลสคืออุปาธิไม่สามารถที่จะเยื่องกลายเข้ามาได้ อ, อ็มีจิตที่สงบอยู่ตลอดเวลาควบคุมตอนแรกมันอาจจะต้องควบคุมพอต่อไปมันก็อยู่ตัวความสงบนั้นอยู่ตัวเมื่อความสงบมันอยู่ตัวก็ไม่ต้องทําอะไรกับมัน มันก็สงบมันเองตามธรรมชาติมันสงบมันเองมันก็อยู่กับความสงบเกิดกลัวตายขึ้นมามันก็ไม่กลัวเกิดกลัวเจ็บขึ้นมามันก็ไม่กลัวเกิดกลัวแก่ขึ้นมามันก็ไม่กลัวมันไม่กลัวอะไรอยู่กับความสงบก็ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงทั้งนั้นสิ่งตหล่านั้นมันหลอกหลอกหลอกเรานี่หลอกหลอนเราเราเห็นว่ามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริง อนี้ก็อยู่กับจิตที่สงบไล้ก็อยู่กับความสงบแล้วก็ไปสถานที่ที่สงบสงบสถานที่ที่สงบที่มันไม่วุ่นวายมันไม่วุ่นวายอยู่กับความสงบอย่างนี้พระพุทธเจา้าผู้พกความสงบพระธรรมคือตัวความสงบพระธรรมธรรมนัมสามิหรือว่าธรรมังสรนังคัจสามิ เรากลับรัตนาไตรตามมังจรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาตัวนี้แหละให้เข้าใจเอาไว้ทีนี้เราพระพุทธทางจรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งอยู่ตรงหน่อยพระพุทธเจ้าก็หาพระพุทธเจ้าไม่ทู่พระพุทธเจ้าชัก ท, าากทีนพะื่อเห็นว่ารูปกายเป็นพระพุทธเจ้า เห็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าหรือว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงที่เป็นตัวบุคคลก็ไปเอาตัวบุคคลมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่โทรพระพุทธเจ้าอีกเห็นเปลือกพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าตัวจริงคือจิตของพระองค์ที่สงบเย็น เมื่อจิตของพระองค์สงบเย็นพระองค์ก็ได้มาจากไหนความสงบเย็นนั้นก็ได้มาจากพระธรรมยอดของพระธรรมคือความสงบเย็นเมื่อพระองค์เราก็เดยรับพระลัตนาไตรความธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีคองมธรรมจากพระสาวกก็ดีตั้งแต่สมัยโน้นจนสมัยตอ่ตอๆๆๆๆๆๆๆมาความเสร็จแล้วเป็นยังไง สมมตว่าเราฟังจากพระพุทธเจ้าฟังจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสแสดงว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาลอยๆอยไม่ได้มันมาจากเหตุเหตุคืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ก, ก, ก็คือความยึดมั่นถือมั่นอะไรคุณยึดมั่นถือมั่นอะไรย่าสาเนี่ยาสาญาจักุระบุตรโอ้ก้าวกับผม มีลูกมีเมียมีทรัพย์ส ม, มบัติมีเรื่องมีราววุ่นวายไปหมดเห็น ไ, ไหมนั่นเนี่ในความยึดมั่นถือมัน่นพระองค์ก็บอกว่าอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงจึงทั้งปวงสับเพตมะสิ่งทั้งปวงอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงแล้วก็อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวเองอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นจิต ถ้าข้าไปยึดมั่นถือมันเนี่ยทำให้เกิดเป็นทุกข์ทีนี้ที่ร้อนใจที่เธอร้อนใจแล้วเปล่งวาจาเดินมาถึงเราเธอก็เปล่งวาจาว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดข้อหนอที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดข้อหนอเธอร้อนใจร้อนใจเพราะสิ่งที่เธอข้าไปยึดมั่นถือมันมันอัดแน่นอยู่ในจิตของเธอเธอจงปล่อยเสีย ละเสียว่างเสียนี่ความยึดมั่นถือมัน่นน้อยอะไรปล่อยจนเลิกเลิกเรื่องความยึดมั่นถือมัน่นให้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นทั้งวัตถุทั้งกายทั้งจิตทั้งตัวจิตเองทั้งสิ่งภายนอกอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไร ทำยังไงดีนี้ยญาจากุลบุตรเขว่าพุทธังสรรนังกัจฉามิกล้าไปเจ้าขออภพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสรรนังนั้นคือเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางจิตเป็นที่พึ่งทางจิตเป็นอย่างนี้เพราะว่าจิตของยาตากุลระบุตรนั้นสงบลงสงบลงสงบลงสงบลงแล้วก็เย็นเย็น เป็นจิตที่สงบเย็นในขณะนั้นรอดสถานที่มันก็สงบคำพูดคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าตรัสกับญาติอากุลบุตรก็สงบความสงบเข้ามาทางหูก็เข้ามาทางหูแล้วก็เข้าไปทำให้เย็นอกเย็นใจขึ้นมาอะไรขึ้นมาขาจริง เพ่งว่าจาว่าพุทธทางจรนังคัจฉามิไม่ใช่ว่าเราในสมัยนี้ว่ากันเป็นว่าเล่นพุทธทางสารนังกัจฉามิทำวังจารนังกัจฉามิจำงรังสารนังกัจฉามิจะทํากิจกรรมอะไรก็ต้องนัโมตจ่าแล้วพุทธทางจารนังกัจฉามิพุทธทางจรนังกัจฉามิอะไรไม่รู้เห็นไหมอันน่าสงสารขนาดไหนทีนี้เมื่อ เขาไม่ได้ความธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าความธรรมจากพระสาวกรูปอื่นๆเขาก็แสดงให้ฟังเรื่องอริยสัจจีเรื่องขันธ์5เรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทพอความเสร็จแล้วเขาสลัดทิ้งสลัดทิ้งไอ้กิเลสตัณหาต่างๆก็คือสละนั่นแหละแล้วก็กดพุดทธทางสรนังชจามิ เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งคือความสงบเย็นทม า, ามังสรนังกัจฉามิทาที่พระสาวกองนั้นท่านแสดงแสดงแล้วทำให้จิตของข อ, งของสงบเย็นทำให้กายวาจาสงบเย็นนี่เสร็จแล้วก็โดยกล่าวว่าทมังสรนังกัจฉามิภูพละทมที่ท่านกล่าวนี่เรียกว่าอะไรมัน มันมีคุณค่าเหลือเกินมีคุณค่ามากมายและเจตเลกว่าสังคังสรรนังคัจามิโอ้เมื่อพระอริยสงฆ์องค์นั้นท่านแสดงธรรมให้ฟังเรื่องอริยสัจธีเรื่องขันธนะ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องของจิตโดยเฉพาะเข้าใจเข้าใจเลยจิตเขาสงบเย็นสังคังสรรนังคัจามิ ดังนั้นจึงเกิดพระและตนตรัยขึ้นมาเกิดเป็นพุทธังสรรนังคัจามิธรรมังสรรนังคัจามิสังคังสรรนังคจามิข้าพเจ้าขออ้อพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขออ้อพระธรรมมาเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขออ้อพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งนี่ใครพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คือใครสงบเย็น จิตของท่านสงบเย็นท่านกล่าวให้เรามีจิตที่สงบเย็นท่านกล่าวพระธรรมพระธรรมที่กลมกลม่อมพระธรรมที่ไพเราะพระธรรมที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไอ้ไอ้เหมือนแฟบหรือว่าเหมือนไอ้ปองสักวกต่างๆบอกฟอกฟอกจิตของเราให้มันสะอาดแจม่มใส เป็นจิตที่ไม่เปรื้อเปื่อนด้วยกิเลสตัณหาซักฟอกทาที่เป็นเครื่องซักฟอกซักฟอกเสร็ จ, ร จ, รจแล้วก็สะอาดสะอาดจาดไม่เ่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วก็ไม่จะไม่ให้จบโปกอีกต่อไปแล้ว้สะอาดโดยเด็ดขาดผู้นั้นก็เป็นพระอารหันไปเลยนี่เรียก ว, ว่าพุทธทางสาันนักฉามิีจำมังสันนักฉามิสังขังสันนักฉามิ ความสงบเย็นเพราะเกิดความสงบเย็นขึ้นมาที่จิตของเขาแล้วเขาก็เปล่งวาจ า, าพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งเอาพระอริยสงฆ์มาเป็นที่พึ่งคือความสงบเย็นตัวนั้นความสงบเย็นตัวนั้นไม่ตาย <c oughs> อยู่ตลอดเวลาอยู่ของอยู่กับจิตของทุกๆคนที่ปฏิบัติ แม้แต่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติเขาก็มีเชื่อเขาก็ต้องการความสงบเย็นแต่ก็ไปเฉพาะบางครั้งบางคราวแค่นั้นเองก็วุ่นวายขึ้นมามแล้วก็เข้าวัดหน่อยน่ไปนั่งใต้ต้นโพหน่อยหนึ่งมาเดินที่สะพานเดินเล่นเล่นที่ทางขึ้นวัดนี้หน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นธรรมชาติ เดินแล้วมันก็สงบเย็นลืมลูกลืมเมียลืมจับ r ร m บัตลืมโน่นลืมนี่ทำให้เกิดความสงบเย็นขึ้นมาทีนี้คนชอบเที่ยวคนชอบเที่ยวไปเที่ยวประเทศนั่นไปเที่ยวประเทศเนู้นไปเที่ยวประเทศนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์เขาก็บอกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์มีอะไรก็มีภูเขามีน้ำตกมีอากาศเย็นไปแล้วเป็นยังไง ตามที่จริงไปแล้วจิตมันสงบจิตมันสงบเย็นพอจิตมันสงบเย็นเพราะว่าธรรมชาติมันกลืนมันกลืนพวกเราเนี่ยหมดพอกลืนหมดเสร็จแล้วเราก็ได้ความสงบเย็นชั่วคราวได้ชั่วคราวทีนี้คนที่ก็อยู่ที่นั้นมันก็ชินไปแล้วมันก็ชินมันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนชินแต่ทีแล้วมันก็สงบเย็นไม่ได้ คนที่อยู่ที่นั้นมันก็สงบเย็นไม่ได้มันเย็นเพียงแต่ร่างกายแค่นั้นเองแต่จิตมันยังมีความยึดมัน่นถือมั่นอยู่มันก็ไม่สงบเย็นอยู่ดีนั่นแหละถึงเอาไปแช่อ ย, อยู่ที่นัน้นก็ไม่สงบเย็นเพราะมันยังมีตัวตนอยู่ทีนี้เราไปชั่วคราวไปถึงก็ท ะ, ทะลทล่โอ้โหสวยจริงสวยจริงสวยจริง โอ้งามจริงงามจริงงามจริงโอ้สบายจริงสบายจริงสบายจริงอย่างนั้นชั่วคราวเหมือนกันชั่วคราวเหมือนกันทีนี้พวกนั้นเจ้าของบ้านพออยู่นานนานชินชินก็เลยทําธุรกิจไปทําอะไรไปทำอาหากินแตงรอบเย็นเพียงชั่วคราวแค่นั้นเองนะหมดอีกกิเลสก็ไม่หมดกิเลสไม่หมดอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ไปกัน ไปใหม่ไปใหม่ก็ไปเที่ยวไอ้มันสนุกสนานก็เลยไม่สงบอีกแล้วไม่สงบอีกแล้วไปที่สงบเย็นแต่จะแล้วมันก็ไม่สงบเย็นว่าไปที่ไหนไปที่เชียงใหม่โอ้ยคนเหมือนกับฝูงหนอนอไปที่เชียงรายอไปที่แม่สายไปที่เชียงแสนอไป ที่น้ำตกไปที่ชวนยองไปที่อะไรคนเหมือนกับฝูงนอนอย่างไ น, นแล้วมันจะสงบอย่างไรอันนี้ก็คนอันนั้นก็คนอันโน้นก็คนเราเองก็คนนั่นก็เลยไม่สงบอกีกไม่สงบอกีกแต่ถ้าเราไปในที่ที่ไม่มีคนเช่นพระพุทธเจ้าเมื่อจะสอนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นถ้ำ นั่นลมฟางนั่นป่าช้านั่นป่าชัดนั่นเดือนล้างเจอตรงไปที่นั่นไปที่นั่นไปที่ที่ไม่มีคนที่ไม่มีคนพอไปถึงเป็นยังไงเช่นว่าไปนั่งในถ้ำอย่างเนี้ไปนั่งนําในถ้ำหรือบ้านบ้านที่ไม่มีคนเจ้าของไม่อยู่แล้วไปนั่ง นั่นเรือนว่างเรกว่าเรือนว่างไปนั่งที่เรือนว่างไปนั่งทําสมาธิอยู่ไปนั่งทําวิปัสสนาอยู่ไปนั่งละอยู่ที่ตรงนั้นนั่นมันสงบที่นั่นมันสงบเย็นสงบเย็นที่นี่มันสงบเย็นทางวัตถุแต่เจะแล้วกต้องให้มันสงบเย็นทางจิต ทำยังไงให้จิตสงบเย็นก็ไปนั่งสังเกติ่งนั่งสังเกตว่าอะไรเข้ามาเราไปนั่งอะไรมันเข้ามามอา้าวนี่บ้านนะ้มันจะท่วมเนี่ยที่ผมถึงออกไปออกไปท่วมไปมันท่วมไปไอ้มันท่วมไปเติมบ้านก็ไม่ใช่ของกูแต่ของกูกูต้องเอามันไปได้นี่มันเอาไปไม่ได้ท่วมก็ท่วมไปเลิกออกไปออกไปออกไปไม่คิดอะไรอา้าวตู้เย็นพังแล้วก็จะไอ้มันพังไปช่างหัวมัน แม่แต่ว่าร่างกายนี้ร่างกายนี้เจนว่ามันเป็นอะไรมันเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งต้องตัดขาก็ตัดไปที่ขาก็ตัดไปตัดแขนตัดแขนก็ตัดไปตัดอะไรก็ตัดไปนี่เพราะอะไรเพราะเราตัดจิตเราตัดจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่กูจิตนี้ไม่ใช่กูจิตนี้ไม่ใช่ของกูเพราะเราตัดจิตได้เรื่องเล็ก เรื่องอื่นๆเรื่องเล็กหมดก็ตัดจิตออกแล้วก็ตัดจิตออกแล้วนี่แต่ความสงบเพราะจิตไม่ใช่ของกูแล้วแล้วจิตนั้นไม่ใช่ตัดจิตออกแล้วตายมันยังไม่ตายมันยังมีความรู้สึกอยู่งั้นไม่ตายมันยังมีจิตแต่วิญญาณมันยังมีอะไรที่ยังเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยสติปัญญาตัดอะไรก็ตัดกันแต่ตัดหมดตัดทุกอย่างตัดทุกอย่าง นี่อย่างนี้เรียกว่าตัดตัดตัดตตัดก็คือละนั่นเองตัดก็คือละนั่นเองละจิตการละจิตได้ไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันก็เลยจิตว่างจากกูนะจิตนั้นมันว่างจากตัวกูว่างจากของกูแต่ของกูมันก็ตัดไปโดยอัตโนมัตินี่ยุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ตรงนี้ ปาปาวิเวคารามูยินดีในที่อันสงบที่อันสงบที่นั่นมันอยู่ที่ตรงไหนที่นั่นก็คือร่างกายไอ้ที่ตัวความสงบต้องทำให้ร่างกายสงบให้สถานที่สงบแล้วก็กายสงบอาใจศีลวาจาสงบแล้วก็จิตสงบอาใจสมาธิแล้วก็กิเลสสงบ อาศัยปัญญาเห็นไหมต้องอาศัยปัญญาทีนี้เราก็จะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าจิตอยู่กับความสงบแม้แต่ชั่วคราวเราก็ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าเราได้อยู่กับพระธรรมเราได้อยู่กับพระอริยสงฆ์ชั่วคราวทีนี้นีชั่วคราวนี่มันไม่ไหวเอาจริงกันดีกว่ายกพระพุทธเจ้าาไว้ในจิตยกพระธรรมมาไว้ในจิต ยกพระอริยสงฆ์มาไว้ในจิตไม่ว่าไม่ใช่ว่าไปยกเอาพระพุทธรูปมาไว้ในจิตไม่ใช่หรอกไปเอาตู้พระใจวิโดกมาไว้ในจิตไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปเอาพระอริยสงฆ์มาไว้ในจิตไม่ใช่อย่างนั้นไปยกเอาความสงบเย็นนความสงบเย็นที่อยู่ในจิตของพระพุทธเจ้าความสงบเย็นตัวนี้ก็คือพระธรรมที่เป็นธรรมชาติที่เราว่าทำมังกรนังกชามิมาไว้ในจิต ไปยกเอาพระอริยสงฆ์คือความสงบเย็นที่อยู่ในจิตของพระอริยสงฆ์เอามาไว้ในจิตของเราเราก็มีตั้งพระพุทธเจ้ามีตั้งประธรรมมีทั้งประสงเมื่อจิตนั้นสงบเย็นถ้าจิตสงบเย็นโดยเด็ดขาดพระพุทธเจ้าก็มาประทับอยู่ที่จิตนี้แล้วพระธรรมพระสงก็มาอาศัยอยู่ที่ตรงนี้แล้ว ความสงบเย็นตัวเดียวแต่ว่ามีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งประธรรมมีทั้งประสงค์จากนั้นสิ่งที่แปลกปลอมทั้งหลายก็คือกิเลสตนไนะล่มันออกให้หมดพอไล่พวกนั้นออกหมดจิต ก, ก็สงบเย็นในจิตสงบเย็นมีสติมีแต่ปัญญาตลอดเวลาต้องการเวลาหน่อยได้เวลานั้นเมื่อจิตเราสงบเย็นแล้ว รู้ว่ามันใช้ได้แล้วมันเก่าที่แล้วมันอะไรแล้วทําอะไรต่อไปช่วยดินี่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เออทํำยังไงตอนแรกก็คิดถึงแม่ก่อนเพราะเราทุกคนมีเพราะว่ามีแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่ก็คิดถึงพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงเพื่อนมนุษย์เราจะช่วยเพื่อนมนุษย์ เอาความสงบเย็นนี้ไปให้เพื่อนมนุษย์ให้เพื่อนมนุษย์เขาเกิดมาแล้วเขาจะได้มีความสงบเย็นบ้างนี่เรียกว่าทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้วถ้าเป็นนิกายเส้นก็เรียกว่าแกของสองตะเกียงแก่ของสองตะเกียงก็คือแกความสงบเย็นนี้ไม่หมดแจกเท่าไหร่เจ้าไหร่ก็ไม่หมดไม่หมดนี่เห็นไหมนี่อย่างนี้เรียกว่า ความสงบเย็นปาวิเวการามุยินดีในความสงบเย็นคือวิเววิเววิเวคือความสงบวิเวทางกายวิเวทางจิตวิเวทางกายวิเวทางจิตวิเวทางจิตทํากิเลสได้มันหมดไปสิ้นไปแล้วก็มันก็จะได้วิเวก็เลยวิเวไปหมด กายวิเวกจิตวิเวกอุปาธิวิเวกพ็ mm. กิเลสมันหมดถึงจะกว่ามันสงบสงบเหมือนทะเลที่ไม่มีลมไม่มีคลื่นน้าก็อยู่แต่น้าไม่มีลมไม่มีคลื่นไม่มีอะไรสงบเป็นทะเลที่สงบสงบดูน้ําอเรียบสงบนี่คืออุปาธิ เอาอุปาธิออกให้หมดทั้งจากกายเราไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นกายไม่กล้าไปยึดมั่นถือมัน่นจิแตและไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปาธิคือกิเลสทั้งหมดนี่คือเรียกว่าสงบความสงบเย็นที่อยู่ในพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระธรรมที่อยู่ในพระอริยสงฆ์และที่อยู่ในสัพพสิง ในบรรพสิ่งต่างๆมันมีแต่ความสงบเย็นมีแต่ความสงบเย็นเราไปดูไม้ดอกเราไปดูไม้ประดับมันหยุดนิ่งมันนิ่งมันไหลมันนิ่งแต่ว่ามันไหลดอกไม้ผลไม้ไม้ใบไม้ประดับอ่ามันมียอดอ่อนขึ้นมาใน แ, แ้วมันก็ขึ้นสวยแล้วมันก็มีดอก นี่ดอกแล้วมันก็บานบานแล้วมันก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วมันก็ร่วงลงไปอันนี้จังอนัตตาทังนั้นเหลือเองมันมีอะไรแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นมันเองเออแล้วมันก็ไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเออนี่ดอกนี้เป็นของกูนะเป็นตัวกูนะแล้พรุ่งนี้ดอกดอกกูนี่แหละมันก็จะเหี่ยวพอเหี่ยวแล้วมันก็ร่วง โอ้ยกูเสียใจดอกไม้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเราที่ไปคิดเราเนี่ยอกเป็นยังไงอ๋อดอกบานดอกบานก็คือเปร่งหรังเป็นหนุม่มเป็นสาวเออเยอะป่กกอยตอไว้ ก, กูแกโอ้ยแย่เลยกูแกแต่ดอกไม้ทำไมมันไม่เสียใจเลยมันไม่คิดเลยมันไม่มีจิตไม่มีใจแต่มันก็ยังมีความรู้สึก คือวิญญาณน้อยๆมันก็ยังมีอยู่ในในดอกไม้นั้นทีนี้ดอกไม้ไม่เสียใจเราเสียใจเสียใจเพราะแกะเรากลัวแกเรากลัวเจ็บเรากลัวตายนี่เห็นไหมมันไม่มีความสงบแต่ดอกไม้ต้นไม้เห็นยังไงตายมันก็ไม่ได้เสียใจอะไรมันแก่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมีคนไป วันไปถากไปโค้นมันก็ไม่ได้เสียใจอะไรไม่ได้เสียใจนี่นะมันอยู่ด้วยความสงบ wrap. ทุกอย่างอนิจจ like ังทุกขังอนัตตานิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตามันอยู่อย่างนั้นทางนั้นอยู่อย่างนั้นทางนั้นว่างเรียกว่าทุกอย่างว่างว่างจากตัวตนทางนั้นทุกอย่างมันว่างจากตัวตนทางนั้นแล้วทำไมเราไม่เห็นทําไมเราไม่เห็นเพราะจิตเรามันยังหยาบ จิตมันยังหยาวมันไม่สงบแต่ถ้าจิตที่สงบจนถึงที่สุดเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนจิตที่ละเอียดอ่อนมากมเรียกว่ามันจะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังในสิ่งนั้นเห็นอนัตตาในสิ่งนั้นเห็นสุญญตาในสิ่งนั้นมันก็เลยเห็นโลกว่างโลกว่างโยมว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่าง เห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าตรัสกับโมกราชนะ่ยที่ไปถามปัญหาของพระโอษฐ์กับพระองค์นะ่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนโมกราชท่านจงมีสติเห็นไหมต้องมีสติที่อีนี้คนมันไม่ค่อยมีสติเราต้องฝึกสติปัญญาสี่ในมันชํานาญท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตา ถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวกูออกเสียอัตตานุทิฏฐิก็คือถอนจิจนะจิตที่เป็นตัวกูนะถอนกิจที่เป็นตัวกูออกไปเสียมัจยุราชจะมองไม่เห็นท่านนี่นี่ความตายไม่มีสําหรับบุคคลนั้นแล้วมัจยุราชจะมาจากไหนมาจากความกลัวเนยกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวต า, าย ทีนี้เมื่อไม่มีกูเลยมันจะตายที่ตรงไหนเนี่ยอะไรมันจะตายเป็นโลกว่างไปหมดแล้วโลกภายในคือจิตว่างจากตัวตนโลกภายในคือจิตว่างจากตัวตนโลกภายนอกก็คือตาโลกภายนอกก็คือทีนี้ถ้าเป็นาภาษาโน้นก็ว่าโลกภายในเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ โรคภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสโปรตีธรำมารมณแต่โรคภายนอนโลกภายนจริจริงๆ i, c, now, bs, น ион, th, ๆ่ยจิตคือจิตคือจิตทีนี้เมื่อจิตว่างไอ้โลกกลางกลางโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ว่างทีนี้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหน้าที่มันต้องทําหน้าที่ตาก็มีหน้าที่ดูรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ดมกลิ่นลิ้นก็ริ้มรส โลกภายในคือจิตว่างโลกกลางๆางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างโลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัภธรรมารมณ์ว่างเป็นยังไงนี่วิญญาณว่างผัจจาว่างเวทนาว่างมันว่างกันไปหมดว่างกันไปหมดนี่โมกราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตาณุทิตีความเห็นว่าตัวกู ก็คือไปเอากายไปเอาจิตมาเป็นตัวกูถอนออกให้หมดพอถอนออกอย่างหมดออกอย่างนั้นแลวมัจจุราชคือความตายจะไม่มีสำหรับเธอมัจจุราชจะไม่มีแล้วยกยอดความตายหายหมดความกลัวหายหมดความเคลียดหายหมดความรักหายหมดความโกรธหายหมดหายหม ด, หหมดไม่มีอะไรว่างอยู่กับจิตว่างสงบเย็น อยู่กับความสงบเย็นพระพุทธเจ้าสงบเย็นพระธรรมสงบเย็นพระสงฆ์สงบเย็นทุกครั้งที่รับพระลัตนาไตรให้คิดว่าสงบเย็นพุทธังกรณังกจามิข้าพเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาความสงบเย็นที่พระพุทธเจ้ารู้นั่นแหละได้มาอยู่ที่จิตเอาพระธรรมคือตัวความสงบเย็นมาไว้ที่จิต เอาประสงค์ความสงบเย็นที่อยู่ในจิตในใจของท่านมาอยู่ที่จิตใจของเราสงบเย็นเราจรึงว่าพุทธังตรนังกจามิธรรมังสรนังกจามิสังคังตรนังกจามิครั้งที่สองข้าพเจ้าก็อพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งก็อภรพุทธเจ้าคือความสงบเย็นมาเป็นที่พึ่ง อภิธรามคือความสงบเย็นมาเป็นที่พึ่งอภิทรงค์คือความสงบเย็นมาเป็นที่พึ่งแม่ครั้งที่สามก็เช่นเดียวกันนี่เอาย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำก็ย้ำเราก็เลยได้อยู่กับความสงบเย็นเป็นยังไงทีเนี้ยถ้าอย่างนี <ress> ้แล้วชีวิตมีแต่ความสงบเย็นยินดีกับอะไรทีเนี้ยยินดีกับความสงบเย็นอยู่กับความสงบเย็นเราก็ได้อยู่กับความสงบเย็นอย่าง นี่ต่อไปอีกนิดนิดหน่อยหนอปอยาปัดชะยอย่าอะไยาปัดชารามุยินดีในการไม่เบียดเบียนยินดีในการไม่เบียดเบียนจะไปไปเบียดเบียนใครแล้วไอ้ตัวกูก็ไม่มีไอ้คนอื่นก็ไม่มีเห็นเป็นคนคนเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอะไรเรียกว่าอะยาปชอาปัชารามุ ยินดีในการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนเห็นเป็นคนคนเดียวกันหมดก็รักเกลียดเกลียดทุกขรักสุขแต่เสร็จแล้วก็หาความสุขแต่ความสุขที่ไม่ถาวรอย่างนี้ต้าว่าเขาหาจริงๆก็ก็จะพบความสุขอันถาวรอนดนั้นเมื่อเรามีแม้แต่เพียงศีลก็แรกปาณาติบาตเ้าก็ไม่เบียดเบียนกันแล้ว นั่นคื อ, อการไม่เบียดเบียนเนี่ยพราะว่าเห็นว่าอเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่เราว่าสัพเพสัตตาจัตทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันด้วยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมไ อ, อย่าไปอาเวราอย่าไปลูกโกรธอย่าไปผูกเวนอย่าไปผูกอาคาตพยาบาทกันเลยเห็นไหมนี่เรียกว่าอัปชารามูยินดีในการไม่เบียดเบียน ให้อยู่กันด้วยความสงบสงบสงบสงบอยู่กันกับความสงบเห็นไหมนี่ทีนี้มันสงบที่ไหนเดี๋ยวก็ไอ้เสื้อแดงเดี๋ยวก็ไอ้เสือเหลืองเดี๋ยวก็ไอ้เสือนั้นไอ้เสื้อนี่เห็นไหมมันแยกพ่วงแยกหมูแยกคณะใครเป็นคนแยกอ่ะก็จิตกูนั่นแหละจิตกูนั่นแหละมันไปแยกมึงประเทศนั้นกูประเทศนี้นมันมันะแยกกันหมดนี่ แยกกันหมดแยกกันเนี่ยือโลกแตกโลกมันแตกก็คือจิตนั่นแหละจิตอะไะมันแตกมันแตกแล้วก็เลยแยกกันแยกมึงมึงกูกูกูกูมึงมึอ่ะก็คือเลยไม่มีความสงบโลกนี้ไม่มีความสงบเมื่อโลกนี้ไม่มีความสงบโลกแต่ละคนแต่ละคนคนหนึ่งโลกหนึ่งคนหนึ่งโลกหนึ่งคนหนึ่งโลกหนึ่ง นีคนนั้นก็ต้องการความสงบก็หาที่หาเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับเหาเองเหมือนพวกเราเนี่แหละมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเราก็มาหาความสงบนี่เรามาหาความสงบเมื่อเรามาหาความสงบเราพบความสงบแก่ยังไงแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีอะไรก็เราก็ช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันทําช่วยกั น, ก น, ก น, กนอะไร ไม่เบียดเบียนกันนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าอัปปชารามุไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันยินดีในความสงบไม่เบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนกันก็ไม่สงบไม่สงบอันนี้เห็นไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เอาพักนั้นอย่างนั้นพักนี้อย่างนี้พอเสร็จแล้วน้ําท่วมช่วยกันทำแล้วทีนี้ช่วยกันทําเลย มันเห็นหลวงศพแล้วตอนนี้มันเห็นหลวงศพแล้วนี่มันก็เลยช่วยกันทำช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาอืมมันก็อย่างนี้มันอย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความสงบให้มันสงบรวมกลุ่มกันทำความดีทำความดีให้ประเทศชาติมันเจริญให้ธรรมะมันเจริญขึ้นมาอะไรขึ้นมานี่ียกว่าทั้งหมดนี้แยกว่ายินดียินดียินดี ยินดีคําว่ายินดีก็เนื่องยินดีในธรรมเมื่อยินดีในธรรมแล้วมันก็ยังไม่พอยินดีในการภาวนายินดีในการภาวนาไม่พอยินดีในการละยินดีในการละยังไม่พอต้องยินดีในความสงบเย็นยินดีในความสงบเย็นเมื่อยินดีในความสงบเย็นโอพระพุทธโอรธรรมโอประสงค์นท่าซึ่งท่านมีความสงบเย็นอยู่ภายใน เอามาว่าในจิตในใจของเราเนี่ยมันถาวรแล้วเราก็จะมีจิตที่สงบเย็นมีกายที่สงบเย็นมีวาจาที่สงบเย็นมีการกระทําที่สงบเย็นเมื่อสงบเย็นแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียวกว่าเราอยู่กันด้วยความสงบเย็นทีนี้พูดมาทั้งหมดก็หครั้งหกครั้งหครั้ง ไปฟังให้ดีๆฟังแลว้วฟังอีกฟังแลว้วฟังอีกฟังแลว้วฟังอีกเพราะฉะนั้นเวลาในการพูดครั้งจุดท้ายนี้เอาเห็นว่าพอสมควรแล้วขอให้ทุกๆท่ททานจงไปปฏิบัติเพื่อความสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็ น, ยนทุกๆ ท, ทุกท่านเชอญ